พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สามธรรมทายาทสูตรสูตรว่าด้วยผู้รับมรดกธรรมพระผู้มีพระภาคประทับนเจตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้เป็นผู้รับมรดกธรรมคือธรรมทายาตอย่าเป็นผู้รับมรดกอามิ t คืออามิสทายาตแล้วตรัสยกตัวอย่างว่า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 คือหนึ่งความโลภและคิดประทุษร้ายสองความโกรธและผูกโกรธสลบหลูบบุญคุณท่านและตีเสมอสีริษยาและตรนีหามายาและโอ้อวดห ก, กระด้างและแข่งดีเจถือตัวและดูหมิ่นท่าน 8. มัวเมาและประมาท ธรรมะฝ่ายชั่วเหล่านี้เมื่อคิดเป็นรายข้อจะรวมเป็นสิบหข้อเรียกว่าอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตอันจะปรากฏในวัตถุประมสูตรที่เจ็ดในเล่มที่1ิบสองนี้ในที่นี้แสดงควบข้อละสองประการตามสำนวนบาลีเฉพาะสูตรนี้